พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าหาที่วิเวกเพื่อภาวนาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายน พุทธศักราช 2,557 เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10วันพระหน้าเป็นวันทำบุญฉลากกพัดวันเดือน10เพนคงจะบินทบาท ในวัดถ้าก็บอกพี่น้องประชาชนอยู่ในละแวกในหมู่บ้านปินท่าบาทบอกให้ทั่วถึงกันด้วยแต่วันนี้เป็นวันเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลเป็นวันธรรมัตสวรรถึงอย่างไง พวกเราถึงวันพระเช่นนี้ให้พวกเราสังเกตดูใจของตนเองเป็นยังไงพอถึงจวนจะวันพระจิตใจของเราเป็นยังไงถ้าจิตใจของเราถอยกูดกูดไม่สู้อันนั้นหลวงพ่อว่กกิเลสนะกิเลสนะมันไม่อยากจะให้ปฏิบัติคุณงามความดี เหมือนกับเรือสีสีไพรท่านออกจากบ้านจากเรือจากเคหสถานที่ท่านบางท่านก็เป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้าเป็นกษัตริย์ที่ท่านหนีออกจากเปียงวังเข้าไปอยู่ในป่าอันนี้เราก็ถือเสมือนนั้นอะวันพระหนึ่งเราก็ควรจะเปลกตัวหามุมสงบ ที่ภาวนาดูจิตดูใจของตนเองหรือว่ากลางกลางคืนอย่างวันนี้เราก็มีมุ้งครอบจะไปพักที่สาลาใหญ่ข้างนอกก็ได้แต่ก็เวลาเราเข้าไปแนละ้วก็บอกกัน เวลาเข้าไปแล้วก็ใส่กุญแจซะเพื่อความปลอดภัยเป็นต่งพิตกกังวลว่าใครจะเข้าไปหาพวกเราเอกีกพอเข้าไปแล้วก็ใส่กุญแจเลยไม่ตองเออตองระวยงระวังเกี่ยวกับคู่คนเข้าไปหาพวกเราเราก็นะั้นไปตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเดินจงกรมอยู่รอบธาราข้างใดข้างหนึ่งอยู่คนละมุมกัน เพราะที่กว้ า, วางขวางเราจะเดินไปมุมไหนตรงไหนเราก็เดินจงกรมได้จากนั้นเราก็พักเวลานอนกับหันศีรษะไปทางพระประธานหรือเวลาเรานั่งกันั่งคัจจามาตไปทางพระประธานเราก็นั่งภาวนาของใครของเราอันนี้ไปว่าเปีกสงบ หาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญตนเพื่อบำเพ็ญสมาธิเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองนี่แหละรู้จักเปลี่ตัวหาความสงบไม่ใช่ว่าเรามาสู่วัดแล้วก็มาพูดมาคุยกันเรื่องสเพเพเหระเรื่องบ้านเรื่องเมือ ง, เ ร, องเรื่องธรรมมาค้าขาย เรื่องขอบเรื่องครัวเรื่องขอบครัวคนนั่นคนนี้เอามาวิจงวิจารกันในวัดวาศาสานาอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราที่มาสู่วัดวาศาสานาปฏิบัติอย่างนั้นพวกเราควรจะหามุมสงบดูจิตดูใจภาวนาถ้าทำอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าเลิศประเสริฐน่า พวกเราคณะสั ท, ทายาญาติโยมไม่ว่าฝ่ายอุบาสิกาไม่ใช่ฝ่ายอุบาสกฝ่ายโยมผู้หญิงฝ่ายโยมผู้ชายให้รู้จักให้รู้จักเปลี่ตัวและกระบำเพ็ญภาวนานี่แหละถ้าทำอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าจิตใจของเราไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง ก็จะต้องเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นทางด้านสมาธิแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทำอย่างนั้นมาสู่วัดวาศาสนาอยู่ไปเรื่อยๆปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติกระพอมาหลอมมาแหลมเรียกว่าไม่จริงจังไม่จริงใจผลมันออกมามันก็ไม่ งอกเงยเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าพวกเราทำให้จริงจังและจริงใจผลมันก็จะงอกเงยงอกงามขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราเนี่แหละให้พวกเรารู้จักรู้จักเปลีกตัวหามุมสงบหามุมภาวนาเวลากลางคืนก็เหมือนกัน ไปภาวนาบางทีนอนไม่หลับนั่งคุยกันท้ามเด็กขาดถึงการคุยกันกลางคืนเพราะว่ามันเป็นเรื่องรบกวนหมู่พวกเพื่อนที่เขานั่งภาวนาพวกหนึ่งนั่งคุยกันนอนไม่หลับนั่งคุยกันผู้หนึ่งไปนั่งภาวนามันเสียเสียเวลาจริงๆเข้ามาเข้ามารักษาสิ์ สิ่เหล่านี้ให้ระมัดระวังให้รู้จักเกรงใจกันเรื่องโทรศัพท์ก็เหมือนกันมารักษาศินอย่างนี้นะเนี่ยท่าอย่างนี้ก็ปิดไว้ก่อนโทรศัพท์อย่าไปคุยกันอย่าไปถุยโทรศัพท์บางทีคุยโทรศัพท์ไม่เกรงใจกันพอโทรศัพท์ขึ้นมาก็คุยโบกโเวกเว ก, ว ก, วกคนที่นั่งภาวนาอยู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงลาคาญ แต่ตัวเองน่คุยมันไปเลยมันมีไหมนั้นลักษณะอย่างนี้ถ้ามีแล้วควรจะปรับปรุงแก้ไขเนะไม่ควรจะทำถ้าขืนทำไปว่าไม่ใช่แนวทางไม่รู้จักเกรงใจกันเสียเวล่ำเวลามาปฏิบัติธรรมเผลผๆจะเป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากเขานั่งภาวนาตัวเองไปคุยโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านให้เป็นผู้สังเกตเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันหมดทุกคนแล้วพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วอันไหนควรไม่ควรอย่างไรให้พวกเราให้สังเกตอย่าให้ได้บอกกันถ้าบอกกันมันเสียความรู้สึก онь, มันเสียความรู้สึกในการบอกผู้ที่จะบอกนก็เสียความรู้สึกผู้ที่ถูกเขาบอกก็เสียความรู้สึก แต่ไม่บอกก็ไม่ได้มันรู้สึกว่ามันไม่รู้จักไม่รู้เรื่องรู้ราวเออถ้าเป็นเด็กก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วก็ยังเพียงแค่นี้ก็ยังไม่รู้สึกเกรงใจหมู่พวกเพื่อนสิ่งเหล่านี้มีไหมในกลุ่มของพวกเราให้พวกเราสังเกตนะให้พวกเราระมัดระวัง ถ้ามันมีโทรศัพท์กมีความจำเป็นมีการนัดหมายาก็ไปคุยกันไม่ต้องคุยกันมากไม่ต้องคุยกันแรงเรามาอยู่วัดวาศาสนาอย่างนี้นะควรจะปิดได้แล้วกลางค่ำกลางคืนไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ทั้งบีทั้งวันทั้งคืนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นช่วงนี้เป็นช่วงรักษาศีลเป็นช่วงภาวนา เป็นช่วงปิดวาจาเป็นช่วงที่ไม่พูดงดในการใช้เสียงงดในการพูดขนาดคิดก็ยังไม่ให้มันคิดนะให้มันอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งนี่แหละการที่มาปฏิบัติมาภาวนาแต่หละหลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละจากนั้นพวกเราก็จะได้เห็นผล ในการประพฤติปฏิบัติของตนเองไม่เสียเว ล, เวลาในการมาประพฤติปฏิบัติมารักษาศีลแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ทำอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อพูดพวกเรามารักษาศีลต่อไปก็จะตำหนิตัวเองได้โอ้ข้าพรเจ้าผู้ข่าเนี่ยเราเนี่ยมารักษาศีล น, นานต่อนาน ไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความเย็นใจสมาธิเป็นยังไงเรายังไม่เคยสัมผัสเลยเรายังไม่รู้เรื่อง เ, เลยในเรื่องสมาธิก็จะไปรู้ได้อย่างไรเพราะตัวเองทําไม่ถึงที่ถึงทางมาแล้วก็มามีแต่พูดมีมามแต่คุยเออมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติมีแต่มานอนอนี่แหละ ถ้าว่าพวกเรามาประพฤติปฏิบัตนะิพวกเราก็จะรู้ได้เห็นได้นะเพราะนั้นขอให้พวกเรานะ ต, ตั้งใจนะการมาภาวนามาปฏิบัติอย่างลูกชายของอนาถาปินฑิกาเศรษฐีขนาดลูกโยมอุปถากพระพุทธเจ้าทแท้ๆนะ ยังทะเลทลัยเห็นพระสงฆ์มาขึ้นมาฉันในบ้านเนี่ยนนเดินหนีไปที่อื่นกำลังเด็กเป็นหนุ่มไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าพระหานตสาวกขึ้นมาสู่บ้านน่าจะมาช่วยพ่อช่วยแม่โดยจัดสถานที่ตอนรับแขกโน่นออกไปเที่ยวที่อื่น พอนะ่อมดปัญญาไม่รู้จะทำยังไงที่เป็นลูกชายอนณาถาพิติกเศรษฐีที่ดูแลอุปธรรมประถาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเขาก็มีแต่อยากจะได้เงินมีแต่ขอกหาปณะแต่ด้นอนาถาพิติกเศรษฐีนะก็เอาเงินล่ออะไรทลูกไปไปรักษาศีลในวัดนะ พ่อจะให้ร้อยกระหาปณะไปรักษาศีล น, นะไปอยู่วัดไปรักษาศีลอุโบสถนะวันพระเนี่ยไปรักษาศีลอุโบสถในวันพระไม่ฆ่าสัตว์ไม่ข่ามยทรัพย์และกา ร, รักษาศีลอภร ม, มัจเรยา ไม่ก่ามุสาไม่ดื่มสุราแล้วก็ไม่ทานอาหารเย็นไม่ทัดรงดอกไม้ของหอมไม่ฟังเสียงร้องราทำเพลงแล้วก็ไม่นอนที่นอนอันใหญ่ทิ้งยัดนุ่นและสาลีไปรักษาศีลถ้าจบมาแล้วพอจะให้วันละร้อยเด็กหนุ่มก็จะได้เงินพอาพอได้เงินร้อยนึงก็สนุกเที่ยว หลายวันอพอถึงวันก็อยากจะให้เป็นถึงวันพระตลอดอพอถึงวันกับไปแ่ะได้พอพอถึงวันพระกับไปแหะไปอยู่ที่วัดพอไปหาที่นอนก็ น, นอนแหลอะอ่รักษาศีลเนี่ยมีแต่นอนอย่างเดียวพอไปถึงก็หาที่นอนนอนออแต่นี้ก็ อาาถามิดีกับลกเป็นไงได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไหมที่ท่านเทศตอนหัวค่าไม่ครับลูกไปยังไงผมไปรักษาศีลผมรักษาศีลผมก็ไปพักหาที่พักครับผมไม่ได้ฟังทางอาณาถาบิดิกัเศรษฐีนี่ก็บอกว่าเออเอาต่อ น, นี้ไปให้ไปฟังเทศนะให้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้า พ่อจะให้เอกเพิ่มรางวัลให้เ1ก0อบาทให้ไปฟังครับบอกเป็นไงลูกได้ฟังไหมได้ฟังครับเข้าใจไหมครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะว่าพ่อให้ไปฟังก็ไปนั่งฟังนะพอต่อมาพ่อบอกว่าเอ้าลูกให้ไปฟังให้จดจำให้ได้สักคำหนึ่งนะว่า พระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรแล้วก็มาพูดให้พ่อฟังพ่อจะให้รางวัลอีห้าสิบบาทเป็นสองร้อยนะอ่าไปฟังให้ฟังให้ฟังนะที่นี่นะครับลูกชายเนี่กันเนะี่ยมจอยากจะได้เงินพ่อไปเขาได้กับไปนั่งอยู่มุมหนึ่งนะพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้นะพอจะแสดงธรรม ลูกชายอนาถาเมติเด็ก็นั่งฟังพ่อฟังได้ละครับนี่แหละเอาละทีนี้จะไปหาพักแล้วไปหานอนนะพอหันหลังมัลืมซะคือพระพุทธเจ้าบัญดาลให้ลืมเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าเยเขาจะมาจับคําพูดพระพุทธเจ้าจชะแล้วก็กมันั่งอิกกลับมานั่งอีฟังอีกพอฟังเสร็จแล้วเอาละจําได้แล้วคำนี่พอหันหลังจะกลับไปหาที่นอนอีก ลืมเอ็กต์เลยกลับมาเอ็กตั้งใจฟังตวเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดอะไรไพอตั้งใจฟังฟังฟังฟังฟังไปเเข้าใจในอัตในธรรมเนี่ยได้สำเร็จพระโสดาบันในขณะที่ฟังพอได้สำเร็จพระโสดาบันตัวเนี่ยโ อ, โอ้ตายพ่อของเราเนี่ยอยากจะให้เราเป็นคนดีอย่างนี้เองหนอโอ้โหเราทำไมจะเป็น คนเป็นอย่างนี้ว่าเรานี่นะเออนั่งคุกเข่ากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทั้งพ่อกราบพระพุทธเจ้าเอ่อผลในสุดตอนเช้าเอ่อพระพุทธเจ้าสเสด็จกลับมากับเดินตามหลังพระสงฆ์มานี่เออพอมาแล้วก็พระพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับอยู่ที่บ้านกับพระสงฆ์ วันนั้นลูกชายเนี่ยโอ้โหเป็นอุบาสกที่ดีเลยเรารู้จั ก, จกปักเคน้ํารู้จักจัดสิ่งจัดของผู้พ่อเห็นโอ้โหถูก อ, อกถูกใจอย่างมากเลยก็ลูกชายของเราทําไมดีถึงขนาดนี้วันนี้ว ะ, วะแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้พอกลับมาแล้วกัพอมาถึงบ้านแล้วพออ่อพ่อพของเงินพ่อก็ต้องให้แล้วกันรีบให้ ภห้แล้วก็เส็จแล้วก็ไปล่ะทุกวันมาที่ได้พ่อๆตามสัญญาพ่อก็ต้องรีบเอาให้เตรียมไว้พร้อมแล้วแต่วันวันนั้นพอมาเสร็จแล้วกับตัวของเขาชายหนุ่มคนนั้นก็โอ้ยอย่าให้พ่อเอาเงินให้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดอายเอออายพระสงฆ์อายพระพุทธเจ้า ทั้งผู้พ่อเนี่ยก็อยากจะให้ลูกเต็มทนเพราะลูกดีแลวเกินวันนี้พอเสร็จแล้วก็ยังนางจะเอาลูกอวันนี้ทําไมไม่ทวงเงินจากพ่อเลยเนี่ยเอาลูกวันนี้รู้สึกว่าโอ้พ่อประทับใจมากเอาเอาไปใช้นะลูกนั่งเงินโอ้ไม่ไไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่พ่อผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วไม่รับเงินแล้วพ่อวันนี้พระพุทธเจ้าอาณาถามันทิกาเศรษฐี ลูกชายของท่านได้อริยศัพย์แล้วไม่ต้องการโลกิยะไม่ต้องการโลกิยะแล้วต้องการโลกุตละทัพท์ได้โลกุตละทรัพย์แล้วเขาได้เป็นพระโสดาบันแล้วเขาไม่ต้องการแล้วโลกิยะนี่แหละพระอนาคามีก็ซาทุนี่แหละก่อนที่จะให้ลูกดีเ ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะขนาดลูก อ, อ, อาาถาเป็นดีกาศเศรษฐีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งตระกูลขนาดลูกเกิดมาก็ยังทะเลทลายแล้วก็ลูกก็ทั้งที่เนิสัยมรรคผลนิพพานจะได้สำเร็จพระโสดาบันอยู่แต่กิเลสตัวมืดมนอนทการนะยังปิดบังจิตใจของออลูกชาย ร่มหลง ม, ม, มัวเมาไปพอแรงจนพ่อได้ว่าจ้างให้รักษาศีลไปนอนวัดให้รางวัลจนถึงขนาดนั่นละ่ะนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายภาวนา เออภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะเนี่ยบเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเป็นอุปนิสัยถ้าไม่ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยต่อไปภายภาคหน้าเกิดมาพบในชาติใดมันก็เป็นอุปนิสัยของเราเบาบางไปเรื่อยๆดีกว่าพวกเรา มาแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ทําอะไรอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเพราะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาการแนะนำํำตื่นจิตภาวนาหลวงพ่อกัแนะนำไปรู้ว่ากี่ครั้งตัว ก, กี่หนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกับปนมมือซะก่อนเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพุทธทางธรรมังสังขัง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 บริกรรมพุทโธพุทโธเลยนี้กำหนดทามันเผลอไปกำหนดไม่อีกตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นอีกอย่าให้มันเผลอทํามันเผลอกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั่งจนมันปวดแข้งปวดขามากๆแต่มันจะหลับได้แล้วมันปวดแข้งปวดขานะี่พอมันพอ nang nang ไปพราะมันไม่มีปวดแข้งปวดขามันก็อยากจะหลับใช่ไหม เรานั่งไปนานๆานมันปวดแข้งปวดขาเนะี่ยมันสู้กับมันหรือซิมันจะหลับไหมในขณะที่มันปวดแข้งปวดขานะ่นะนะปวดหลังปวดเอวนะ่ะมันนอนไปหลับพุทธโธสู้กับมันเป็นยังไงไอ้ผนะัวในชุดเนี่ะถ้าเราเอาชนะเวทนาตัวนั้นได้เลิศประเสริฐนะพวกเราท่านทั้งหลายนะสู้นะเออย่าไปทำหล่อๆอไแหละไม่ได้ต้องสู้มันะนะนะนะนะ ต่อนี้ไปก็ฟังเทศนาทีนะ่ะนั่งสมาธินะ่ะพวกเราหนะ้านั่งขัดสมาธิภาวนา